ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้คงเป็นการพูดถึงอากังขยสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยความหวังแล้วก็จะสมหวังเป็นพระธรรมเทศนาที่เกิดขึ้นด้วยอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าเอง ก็มีพระประสงค์ที่จะแสดงถึงผลที่ทุกคนต้องการว่าล้วนแต่เกิดมาจากเหตุแล้วก็เหตุในที่นี้เนื่องจากผลเป็นรูปของคุณธรรมเป็นจิตที่มีความประนีตขึ้นไปโดยลำดับผลตัวเหตุก็จึงเป็นเรื่องของคุณธรรม และเป็นคุณธรรมหลักๆเราจะกล่าวโดยสรุปว่าก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญาเมื่อศีลสมาธิปัญญาเขามีความประนีตขึ้นเนี่ยผลก็จะประนีตตามจนศีลสมาธิปัญญาเขาถึงความสมบูรณ์ผลที่สมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นบมร่ก่อนก็ได้พูดมาถึง เหตุผลในความหวังในข้อที่ที่เจ็ดนะหรือข้อที่หกข้อที่6ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพึงหวังว่าเราจะพึงเป็นผู้ข่มความกลัวความกลาดได้หนึ่งความกลัวและความขลาดอย่าพึงครอบงำเราได้เลย เราพึงครอบงำย่ำยีความกลัวและความกลาดที่เกิดขึ้นแล้วให้อยู่เถิดดังนี้คือความกลัวความกลาดโดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่มีปัญหาในด้านความประพฤติหรือว่าจิตใจถูกรุ่มรุ่มด้วยกิเลสทั้งฟังพึงสังเกตว่าที่จริงเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันอะไรกัน แมาความว่าใจคนที่ถูกกลุ่มรวมกิเลน่นเองเป็นเหตุให้อาการกายว่าจากเขาไม่บริสุทธิ์มันก็สืบเนื่องจากใจที่ไม่บริสุทธิ<ม>์ก็จะมีความหวาดมีความระแวงมีความสะดุ้งมีความมิตกกังวลจะมีอาการพิรุธแต่เรียกว่ามีวิปฏิสารใจคือความเดือดร้อนใจความไม่สบายใจ เช่นว่าเป็นพระภิกษุ ส, สามเณรมีความบกพร่องในเรื่องศีลชาวบ้านมีความบกพร่องในเรื่องศีลหรือว่าผิดกฎหมายบ้านเมืองก็แสดงว่าแต่ละคนมีแผลใจอยู่มันจะสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองสูญเสียความองอาจกล้าหาญแล้วก็สึกนึกขึ้นมาบ่อยๆ มันก็กลายเป็นอาการขนพองเสียงกล้าวคือหวาดริตกกังวลแต่บดีภิกษุในสมัยนั้นส่วนมากก็จะอยู่ป่าอยู่พุทไม้ไม่ได้อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นพวกหรือมีห้องหักประตูหน้าต่างปิดเปิดได้อย่างในปัจจุบันพระนกาที่จะหวาดกลัวที่จะสะดุ้งที่จะเกิดเกิดอาการขนพองเสียงกล้าวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาได้ ปาจจัที่ส่งแสดงพึงสังเกตว่าความกลัวความขาดจนถึงก็ความกลัวความขาดในครอบงำก็กลายเป็นผู้สะดุ้งอยู่สม่ำเสมอทีนี้ถ้าหากปัจการเหล่านี้ไม่พึงมีหรือไม่พึงเกิดขึ้ น, นก็รับสั่งว่าภิกษุนั้นควรเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีล คือไม่มีปัญหาในเรื่องความประพฤติศีลก็พูดถึงระดับศีลแล้วก็อาจาระแล้วก็โคจรอาจาระก็คือความประพฤติโคจรก็คือสถานที่ที่เที่ยวไปแต่กลุมหมายถึงอาชีพที่บริสุทธิ์หรือบางครั้งทรงใช้คำว่าสิขาและสาชีพ คืหมายความว่าการบ่าตามบทบัญญัติของสิกขาบทแล้วก็การครองชีพพระก็มีอาชีพโดยการเที่ยวพิกขาจานเพราะในกระบวนการเที่ยวพิคขาจารบิณฑบาตมันก็ต้องเป็นกระบวนการที่ทำไปด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่ทำไปเดิมหน้าของความโลภจนถึงกับ มีวิธีการที่ไม่เหมาะไม่ควรเพระจึงทรงใช้คำว่าสังรวมระวังในพระปาติโมกขสมบูรณ์ด้วยมัญญาตละสถานที่เที่ยวไปจนใจิตใจมีความประนีตคือรู้สึกรังเกียจแม้ความผิดพลาดเพียงเล็กๆน้อยๆก็จะรังเกียจใจ สำนวนบาลีใช้คำว่าเป็นพรมจาจย์ที่ประพฤติด้วยความรังเกยียจใจคือไม่สบายใจกระเจนว่าจะมีความประนีตขึ้นไปเรื่อยๆให้เราสังเกตว่าคนเราแม้แต่ระดับศีลธรรมจัญยาเจนรักษาศีลห้าแล้วก็เกิดบกพร่องไปสักข้อหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกไม่สบายใจจิตใจก็จะ เวียงไปตรึกนึกถึงปัญหาตรงนี้อยู่สมอเสมอแล้วก็มีการสะสมแล้วก็ในที่สุดก็กลายเป็นความ ร, าร้อนความมิตกกังวลทีนี้เมื่อท่านสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วก็ประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องระ ง, งับจิตอย่างน้อยที่สุดมีสติสมัชัญญารู้เท่าทันถึงจิตที่กอบด้วยกิเลสในแต่ละขณะซึ่งมันเกิดขึ้น แล้วพยายามข่มพยายามบรรเทาพยายามขจัดพยายามป้องกันก็นกแล้วแต่เกิดลดความรุนแรงคือบางครั้งทรงแสดงไว้ในรูปของอปิเสนธรรมมีลักษณะคล้ายๆกับเรานั่งเก้าอี้บนเครื่องบินนะฮะหรือว่านั่งรถแล้วก็คาดเซฟที่เบนก็เรียกว่าสายนิรภัย คือปลอกภัยแต่ใครท่านนั่งยานพานะแล้วก็มีพนักอิงด้านหลังแล้วก็มีพนักด้านข้างแล้วก็คาดเซฟติเบนก็ถือว่าปลอดภัยผะการไม่บาททางจิตก็จะมีลักษณะอย่างนั้นในประเสนธรรมสี่ทรงแสดงว่าให้ใช้ปัญญาเป็นตัวกำกับ ปการบริโภคปัจจัยสี่ก็ใช้ปัญญาพิจารณาในการบริโภคปัจจัยสี่เาเรียกพิจารณาแล้วเสพบางครั้งพิจารณาเห็นโทษแต่กงงดเว้นโทษบาปอากุศลทั้งหลายบางครั้งพิจารณาแล้วแต่ว่ามันถึงก็เอาชนะอะไรเด็ดขาดไม่ได้มันต้องใช้ความอดกลั้นอดทนเอาบางครั้งพิจารณาเห็นโทษแต่เราจะดับเขาเลยนี่มันก็ทํายาก นั่นก็คือการวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกให้ลองสังเกตว่าเราจะคุมจิตเราให้ไหม่คิดด้วยอํานาจของความโลภไม่ได้คิดเดือมหน้าของความพยาบาทไม่คิดเดือมหน้าของความเบียดเบียนเนี่ยมันกํากับยากเพราะอย่างน้อยก็บรรเทาลดความเข้มข้นลงไปอย่าใจใจมันถูกรุ่มรุมแต่นี้ถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นก็ปฏิบัติไปเรื่อยจนถึงกับได้ชาญ ในนอนวิาชาตั้งแต่มาถมวิชาขึ้นไปเนี่ยมันสงบนิวรณ์จิตมันจะอยู่ด้วยกุศลคือวิตกที่เป็นกุศลวิจารที่เป็นกุศลปีติความเอิบอิ่มใจสุขความสบายกายสบายใจแล้วเอกกตาคือจิตที่เป็นสมาชิมันก็เป็นภูมิคุ้มกันจิตรักษาจิตแล้วป้องกันจิตอยู่โดยธรรมชาติจนถึงกับเพิ่มภูมิการอยู่ในสถานที่ที่สงั คือสุญญากาศสถานที่ที่สงัดเงียบต่างๆก็ความหวังข้อที่6นี่แปลกไม่ได้ใช้คำว่าวิปัสนาทั้งๆ ท, ง ท, งที่ข้อที่ห้ายังมีวิปัสนาก็อาจจะพิมพ์ตกก็ได้นะในข้อที่7ก็รับสั่งก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราเป็นผู้ได้ ฌานทั้งสี่อันเกิดขึ้นกับจิตที่ผ่องใส ย, ยิ่งเป็นเรื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมตามความปรารถนาพึงได้ไม่ยากไม่ลำบากเถิดดังนี้คือฌานเนี่ยเป็นระดับจิตตสิกขาตัวฌานจริงๆเป็นสมสมาธิ แต่ก็มีองค์ประกอบก็คือสมาวยามะกับสมาสติในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีสมาวาาิยาสมารสมากมารตสมาชีวเป็นฐานก็สรุปว่าศีลสมบูรณ์สมาชิถ้า ข, าขนาดนั้นก็เรียกว่าสมบูรณ์นะนะปัญญาก็พอประมาณจริงๆถ้าขนาดนี้มันก็ไม่ใช่ปกติธรรมดาแล้ว มันเป็นระดับพระนาคามีไปแล้วก็แสดงว่าฌานเองก็คงจะไม่ถึงกับมั่นคงอะไรเท่าไหร่เพียงแต่ว่าคมได้โดวยวิขำพนะปะหารคือว่าสยบอำนาจของกิเลสไปได้ด้วยกำลังของฌานมันก็เป็นฐานที่พร้อมนะคือพร้อมที่จะน้อมใจไปเพื่อผลเบื้องสูงขึ้นไป เพื่อกะสงแสดงเหตุแบบเดิมก็คือพิสูุนนั้นควรเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องระงับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทำชานในเหินห่างและประกอบด้วยวิปัสสนาปัญญาแล้วก็เพิ่มภูมิสถานที่ที่เป็นปัจจัยเสริมก็คือเรือนว่างก็แสดง ป, ประจิตให้ลองสังเกตว่า เวลาเราทําจิตให้เกิดสงบเนี่ยถ้าก็อยู่ในกุศลบางทีในสติเขากล้ามันก็มุ่งไปหาความสงบบางทีปัญญาเขากล้ามันก็มุ่งไปสู่การใช้ปัญญาพิจารณาศรัทธาวิริยะมันก็เป็นตัวกํากับสนับสนุนสมาธินั้นก็เป็นเป้าหมายก็ ทั้งหมดทั้งสองที่สตินำก็ตามสัมปชัญญะนำก็ตามก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าเขาเป็นปัจจัยเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันถ้าสตินำมันก็หนักไปทางสมถะพปัญญานำมันก็หนักไปบิดไปทางวิปัสนาแต่อย่างนั้นจะนำจิตให้มีความสงบเย็นมีความประนีตขึ้นไปโดยลําดับโอกาสที่จะบรรลุฌานแล้วก็มั่นคงอยู่ในฌานเนี่ย แต่ร่าท่านที่มีฐานจิตระดับนี้มันก็ไม่ยากอะไรแต่ว่าทำยังไงจะก้าวขึ้นไปได้ตรงนี้คือเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความพยายามวนเวลาพระพุทธเจ้ารับสั่งในเรื่องเหล่านี้จะเน้นไปที่การใช้ความพยายามกระทำความเพียรอย่างต่อเนื่องประคับประคองจิตรักษาจิตเอาไว้แล้วก็พยายามต่อไป จนกว่าจะบรรลุเ ป, ป้าหมายที่ตนต้องการในข้อที่8เป็นการพูดถึงอีกระดับหนึ่งว่าหวังซึ่งกายด้วยกายซึ่งวิโมกอันก้าวล่วงรูปาวจรชานแล้วเป็นทําใไม่มีรูปส ง, งบระ ง, งับอยู่เถิดดังนี้กหมายความว่ามันผ่านรูปาวจรชานไป เป็นเป็นวิโมกคือจิตมันหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสแบบชานเขาสยบไว้นะแล้วก็เป็นธรรมที่ไม่มีรูปสงบระ ง, งับอยู่เถิดคือเข้าไปสู่อรูปฌานก็เรียกว่าเดินไปสู่สมาบัติทั้งแปดไปเข้าไปเข้าสู่สมาบัติก็รับสั่งถึงเหตุเ ห, เหมือนเดิม พระพิสุนั้นควรเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบกรรมเครื่องระงับจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทําชาในขินห่างประกอบพิปัสนาเพิ่มพูนการอยู่ในสุญญานอันนี้ก็สรุปว่าบังเกิดในพรหมโลกแล้วนะฮะตอนนี้มันเกิดในพรหมโลกแล้วแต่ว่ามันก็ระดับสิบเอ็ดชั้นแรกเป็นพรหโมโลกระดับสิบเอ็ดชั้นแรก มันก็ยังมีเหนือขึ้นไปจากนั้นอีก5ชั้นคือคือแปดความหวังทั้งแปดเนี่ยเป็นระดับปุถุชนแต่ก็ปรับจิตรประีนี้ขึ้นไปเรื่อยๆตัวถ้าเรานับอริมัช ก, ก็หมายความว่าศีล ส, สมบูรณ์สมาธิพอประมาณก็ยังไม่สมบูรณ์แท้นะฮะยังไม่สมบูรณ์แท้เพราะว่าจริงๆถ้าสมบูรณ์แท้มันต้องไป ไปถึงระดับพระโสดาบันก็เป็นการหลุดพน้นที่ยังมีโอกาสกำเริบได้คือเปลี่ยนแปลงได้ยจบรับสา่งว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าพิสูจนจะพึงหวังว่าเราพึงเป็นโสดาบันเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์สามพึงเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาคือนี้เป็นคุณลักษณะ นี้คุณลักษณะของประสบดาบ น, นั้นอย่างที่เราเจอมาบ่อยๆว่าก็แล้วแต่จะทรงใช้ปริยายไหนเพราะตามปกติแล้วเนี่ยมันทํานองคล้ายๆกับเรากินอาหารอิ่มนะครับคือเราจะพูดถึงความมีไม่มีความหิวหรือว่าไม่มีเหตุได้หิวหรือพูดถึงตัวความอิ่มหรือพูดเหตุได้อิ่ม แต่อย่างเขาก็จะเป็นปัจจัยของการละแครหมายความมาด้านหิวก็เหตุได้หิวก็ต้องดับในเมื่อร่างกายมีความไม่หิวกับเพตให้ไม่หิวอยู่พผะการเป็นประสดาบันเราก็มีลักษณะอย่างนั้นคือว่ามองในด้านคุณธรรมที่ปรากฏก็ได้มองในด้านคุณธรรมที่ดับก็ได้มองมองในด้านกิเลส ท, ที่ดับก็ได้ เพื่าจะมองในด้านของคุณธรรมที่ปรากฏอยู่ภายในจิตของท่านก็เป็นมักกะสัตต์ในระดับต่างๆในานามต่างๆนะครปริญายหนึ่งก็คือว่าศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณก็แสดงว่าอริยมรรคก็อยู่ในวิถีของอริยมรรคทั้งหมดเพียงแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์อีกอย่างหนึ่งก็จะบอกว่ามีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และในใจสิกขา ก็แสดงถึงพลังแห่งศรัทธาซึ่งก็ที่จริงก็เป็นสมากัมันตะไม่ใช่สมาสังกัปปะนะฮะคือความดำริในทางที่ชอบก็มีความผ่องใสปรากฏขึ้นภายในเพราะว่าขาจัดความเครียแครงสงสัยออกไปหรือจะพูดในแนวของปัญญาก็เรียกว่าทิฏฐิสัมปันโนคือสมบูรณ์ในทิฏฐิ เป็นระดับที่ไม่ถูกโยกคลอในหวั่นไหวด้วยอะไรก็ไม่รู้แหละคือด้วยการค่มคู่ด้วยการล่อ้วยผลประโยชน์ด้วยทรัพย์สรึงคารในตาแหน่งหน้าที่การงานด้วยการเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิอะไรก็ได้นะพระโสดาบันเนี่ยหลอกหลอกไม่หลอกท่านไม่ได้ถือท่านจะไม่ไหลไปตามกระแสอารมณ์ที่มาในรูปแบบต่างๆ แล้วให้ท่านล้าชิงตรงนี้ท่านไม่ไปอ่ะแต่ถ้าสามัญชนเราแล้วก็ไปได้นะประการต่อไปก็คือการดับของสังโยชน์ก็ที่จริงก็คือการดับของสมุทัยสัต์นั่นเองแต่ว่าเป็นการดับได้ในส่วนสามประการได้แก่คือหนึ่งศักระยทิฐิ ควาเห็นเป็นเหตถือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนก็มีรายละเอียดในตรงนี้เยอะแล้วตอนนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าสังคมชอบพูดเรื่องตัวตนคือนี้คือตัวตนที่แท้จริงก็คนนี้คนโน้นที่จริงตัวตนแท้แท้กันไม่มีแต่ภาษาซึ่งเวลาชาวบ้านเอาไปใช้เนี่ยบางทีมันก็สื่อสารกันยากอะเข้าใจเป็นยากตัวตนเป็นเรื่องสมมติบัญญัติมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงอะไร่ะ สมมติบัญญัติมันก็มีอยู่จะเรียกอะไรก็ได้นะเรียกอัตมาก็ได้อัตมันก็ได้มาอัตมันก็ได้ชีโวก็ได้เล็กสัตว์ก็ได้อะไรก็ได้ก็เด็กได้เยอะเพราะว่าจริงๆก็สมมติเอามันก็ไม่มีชื่อโดยธรรมชาติของมันนะเพรผะการที่คนไปเข้าใจว่ามีตัวตนเป็นตัวตนบังก็จะไปยึดติดในขันห้าเนี่ย เวลาท่างกระจายนท่านกระจายไปถึงเขาเรียกว่าสักกายะสักกายะยี่สิบหมายความว่าไปเป็นการมองเห็นว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนหรือตนมีในรูปก็ละเอียดนะฮะจริงๆก็ดูยากคิดยากแล้วก็ไปมองที่เวทนาตัญญาตังการวิญญาณก็อย่างละสี่เหมือนกันก็สี่ สี่ห้านะหาก็ยี่สิบปสุดบันท่านดับตรงนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมว่าปสโสดบันท่านสงบกิเลสได้ท่านก็ไม่ขวางโลกคือเรียกว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยคนเราชอบพูดอย่าวันก่อนี่มี ไปชุมกับท่านรองนาะยกมนตรีท่านหนึ่งท่านท่านพูดขึ้นสองครั้งเนะี่ยคือบอกว่าท่านไม่ชอบประโยคที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยเปแสดงว่าท่านก็เป็นแฟชั่นเนะี่ยเป็นแฟชั่นของเด็กรุ่นใหม่นะที่จริงสิ่งในโลกนี้เราต้องเชื่อโดยไม่จำเป็นที่จะต้องรู้แลวเราก็ไม่มี <c oughs> สิทธิจะลบหลู่ได้ เพราะอะไรเพราะเราไม่มีข้อมูลมากพอที่จะเวมนนิจฉัยตัดสินในสิ่งเหล่านั้นเป็นภาษาที่เราต้องยอมว่ามีเป็นนันมากในโลกเนี่ยที่เราเข้าไม่ถึงหรอกแต่สิ่งนั้นไม่มีอยู่เป็นนรสวรรค์มีอยู่อย่างเงี้ยบุญบาปไม่อยู่คุณเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยถ้าคุณลบหลู่คุณก็ต้องทําบาปแล้วก็อาจจะเป็นเหตุได้ไปสู่นรกได้ บางคำนี้จะเป็นใครพูดขึ้นก็ไม่รู้แหละแต่ว่าฟังได้ไม่เชื่ออย่าลบรลู่หรือไม่เชื่ออย่าดูหมิน่นในสมัยที่เป็นยังไม่ได้บวชเนะี่ตอนนั้นนะอายุสักสิบแปดสิแปดสิบเก้าแต่แต่เนี่ยมันมีหน้าผาแห่งหนึ่งมีน้ำตกเขาบอกมีเทพที่ดาสิงสถิตยอยู่ที่นั้น เป็นเจ้าเขาคนก็ให้ความเคารพนักถือเมีหนุ่มคนหนึ่งไม่เชื่อมันไปอาบน้ำโดยเปลือยกายแล้วก็พูดจาท้าทายพูดไม่ฉันตกฟาดโครมลงไปเลยล้มฟาดโครมลงไปสลบเหมือดเลย ต้องไปหามาแล้วก็ทำพิธีขอขอมามันก็หายหายแล้วก็ให้เขาไปขอ ข, อขอมาอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่เชื่อจะลบหลู่เพราะเราเราจะเห็นว่าในแง่ของสมมติสัจจะเนี่ยมันมีเยอะที่เราเข้าไม่ถึงนะครไม่ต้องพูดถึงปรมาตารต์สัจจะเพราะพระโสดาบันท่านเฉย ๆ, ๆ ท่านจะมองด้วยความเข้าใจเห็นใจแล้วก็ให้อภยัยท่านอย่าไม่ไปต่อว่าไม่ไปด่าว่าไม่ไปโจมตีอะไรเขา่างมงายร้ายเหตุผลอะไรนี่คนชอบพูด๋ยคนสมัยนี้ชอบพูดตัวเองเก่งมาจากไหนล่ะไปรอบรู้ไปเสียหมดทุกเรื่องอย่างนี้เนี่ยคือไม่ต้องไปว่าเขาเขามีความสุขใจของเขาเป็นสิ่งที่เขารู้สึกเขาได้ทำนะเขาก็มีความสุข เมาเห็นแปลกอะไรเนี่ยแต่เราต้องการเปลี่ยนแปลงเราก็ไปเพิ่มสิ่งที่ดีขึ้นมาโดยไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่เขายึดติดอ่ะแล้วเมื่อเขามีปัญญาเทียบเคียงเขาก็เลิกเองพระราชน์เจนว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ไปโจมตีเรื่องอัตรารโดดตนของคนแต่งทงซีชี้ความจริงให้คิดอ่ะ แล้ถึงจุดหนึ่งพอปัญญามันเกิดมันก็จะเห็นจริงๆว่าตัวตนเป็นเรื่องสมมติปัญญาตก็แล้วแต่ใครจะเรียกแล้วแต่ใครจะคิดนะแต่ว่าในความเป็นโลกยังไงมันก็มีอ่ะแล้วก็มีการยึดติดในลักษณะนั้นท่านไม่มีความเคลือบแครงสงสัยเขาเรียกว่าละวิจิกิจฉาได้เป็นการดับวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาเป็นกิเลสประเภทโมฆะแล้วก็หยาบนะไม่ใช่ว่า เนือแท้ๆประเนือแท้ๆมันไปอยู่ที่อวิชชานั่นเป็นอาการอย่างหนึ่งของโมหะคือเราไม่ชัดเจนไม่ใช่ด เ, น, ดเ น, นก็สงสยัยสงสัยในเรื่องพระพุทธเจ้าในเรื่องพระธรรมในเรื่องพระสงฆ์ในเรื่องของไตรสิกขาโดยเจนว่าใจสิกขาบางทีเราสงสัยในตัวใจสิกขาบางทีสงสัยในตัวใ น, ในเหตุบางทีสงสัยในตัวผล บางทีสงสัยในตัวอาการในแต่ละต่างมันมั น, ม, น, ม, นมันมีเหตุได้คิดได้เยอะเลยแต่เพราะท่านทิพฐิสั้นสมบูรณ์หรือศรัทธาท่านสมบูรณ์ด้วยเพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็ใช้สัพานนาเอาเรื่องบางเรื่องไม่ใช่ปัญญานำแล้วก็ไม่ได้แปลกอะไรอย่างในชีวิตของเราเนี่ยเช่นสมมุติเราคนนี้คือพ่อแม่เราจริงหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่รู้ แต่เราก็ใช้ศรัาน่ะเอาวันหลังอาจจะไปรู้ว่าท่านไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงแต่เราก็รู้ว่าท่านเลี้ยงดูเรามาความรู้สึกเหมือนพ่อแม่มันก็มีอยู่ภายในใจดันั้นเราจะเห็นว่ามันมีเรื่องเป็นอันมากที่ที่จำเป็นจะต้องอาศัยศรัทธาเราไม่สามารถรับรู้อะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ันกสเดบันจึงมีทั้งสองอย่างมีทั้งศรัทธาและก็มีทั้งปัญญาที่สมบูรณ์หมายความว่าไม่แกว่งคือไอ้สมบูรณ์ก็ยังไม่สมบูรณอนะฮะเวลาสัโยญได้แค่สามข้อตอนนี้แลว้วก็ละความสงสัยในอดีตในอนาคตท้งอดีตอนาคตและในกฎของปัจจยการเราจะเห็นว่าตรงนี้ยิ่งใหญ่เลยเพราะว่า คำถามในเวทวงของชาพุดเราจะมีการถามคำถามเมื่อไรก็ตามมันจะมีการถามเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องปัจจุบันมัก็ถามเท่าไหร่เรื่องอดีตอนาคตยังจะถามเยอะเพราะาเราไม่รู้ทั้งสองอย่างเช่นชาติก่อนการมีอยู่ของนรกสวรรค์การมีอยู่ของผลบุญผลบาปการมีอยู่ของชาติหน้า การมีอยู่ของสังสารวัตรอะไ ร, อไรต่างๆเนี่ยกันมีอยู่ของเทวดามารพรมก็เป็นข้อข้องใจสงสัยกันแล้วก็ศีลพัตะปามามัดคือการถือมัน่นด้วยศีลด้วยวัตถุรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติที่ยึดติดอะ่ะยึดติดในลักษณะว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องในเวทวงศชาวพุทธเรามีเยอะนะลักษณะแบบนี้คือบางทีมันดูแล้ว คือท่านไม่รู้ว่ามันขัดแย้งกับสภาพจิตของท่านหรือสถานภาพของท่านเช่นเราไปเศรษรูปแบบของการเจริญกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งนะฮะยกตัวอย่างว่าไปเศษว่ายุบหนอพองหนอไม่ถูกต้องหรือว่าพุทโธไม่ถูกต้องหรือสมารางังไม่ถูกต้องหรืออะไรก็ตามได้ไม่ถูกต้องเนี่ยอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอะอย่างนี้ก็ก็ผิดแล้วเพราะไรเพราะพวกนี้มันเป็นถนนมันเป็นมาร์ก ไม่จําเป็นอ่ะเนื้อหาสาระว่าส ง, งบนิวรณ์ได้ไหมล่ะถ้าส ง, งบนิวรณ์ได้มันก็ใช้ได้ถ้าเป็นวิปัสสนาหมายความว่าเธอเห็นความจริงตามกฎของปัจจัยหลักได้ไหมถ้าเห็นได้พิสูจน์ได้ยังไงว่าเห็นได้ก็คือตัณหามาณทิฏฐิมันลดลงโดยการยึดมัน่นถือมัน่นในขันธ์ทั้งห้าเนี่ยมันจะลดลง จะมีปัญญารูกเท่าทันเรื่งความจริงของจริงก็สังขารธรรมทั้งหลายนะครจิตใจจะไม่แปรผันไปตามความแปรผันของสังขารธรรมเหล่านั้นก็เป็นอาการของไม่ปัสฉนาที่ปรกากฏออกไปในจิตอท่านจะคิดยังไงก็เหมือนเรื่องของท่านเพราะบางทีเราไปเถียงที่ตัวตัวเหตุแทนที่จะเถียงที่ตัวผลเนี่ยนฮะคือผลมันออกมาเหมือนกันก็สําเร็จประโยชน์ กินอาหารอะไรก็ได้คือมีความอิ่มมันเป็นประโยชน์เพราะคนไม่จําเป็นจะต้องกินอาหารเหมือนกันในโลกนี้ยแต่เขาก็มีชีวิตอยู่ได้เหมือนกันเพราะทุกอย่างมันก็เป็นอาหารคือนําผลมาให้เพราะความหวังระดับนี้มันเป็นความหวังที่พอเป็นแล้วเนี่ยสถานภาพของวัสดุบันจะทรงกระยายว่าหนึ่ง ต่อไปก็คือเป็นผู้เที่ยงคำวมาเที่ยงในที่นี้คือเที่ยงต่อการจะศัตรุเป็นพระอาหารหันต์บรรลุมรรคผลเป็นรอาหารหันต์แน่นอนอาจจะชาติเดียวอาจจะสองชาติหรือไม่เกินอาจจะสามสี่ห้าหกแต่ไม่เกินเจ็ดเป็นผู้แน่นอนว่าพรุ่งนี้ปิดประตูนรกเลยเรียกว่าบังบายได้เรียบร้อยเบิกฟ้าได้เรียบร้อย แต่ยังต้องศึกษาต่อไปเพราะว่าท่านยังต้องประสบความทุกข์ในสังสารวัฏทุกประความเกิดเพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายเพราะการพลัดพรากนั้นท่านจะยึดมั่นน้อยลงเพราะมีปัญญาลเท่าทันแต่ว่ายังไงก็ตามท่านก็ยังมีโศกะปริเทวะอยู่นะฮะเพราะว่าตักนี้มาสืบเนื่องมาจากกิเลสประเภทกามตอนละกิเลสประเภทกามยังไม่ได้ ลาการมาราคะอย่างไม่ได้่ละความยินดียินร้ายยังไม่ได้คนเราตราบใดที่ใจ ย, ยังมีความยินดียินร้ายอยู่แล้วก็อย่าพึ่งวางใจในตัวเองโอกาสจะแกว่งมันก็มีได้แต่ถ้าถึงขั้นนี้แล้วไม่ถึงก็แกล้งออกไปนอกทางนะแล้วก็บอกว่าเมียนศัตรู้เป็นเบื้องหน้า แล้วก็ทรงสรุปเหมือนเหมือนเดิมเหตุเหมือนเดิมนะว่าภิกษุนั้นควรเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลประกอบพฤติธรรมเครื่องระงับจิตอันเป็นภายในไม่ทําชานให้เหินห่างคืออยู่ด้วยฌานน่ะเพราะว่าท่านเน้นที่เขาเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารคือการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันมันต้องระดับฌาน หรือพระยะบุคคลเนี่ยท่านจะเข้าไปที่ทุติยชาติพราะการของปีติสุขเอกะกะตาเขาเด่นในทุติยชาติเนี่ยเขาจะเด่นเพะ่นจะรู้สึกมีการสบยแม้จะไม่ไปยึดมั่นถือมัน่นว่าตัวเป็นผู้เสบยก็าตามแต่ว่าร่างกายเนี่ยมันก็ดีขึนะ้นเนี่ยเพราะาร่างกายยังไงยังไงมันก็เป็นโลกิยะไม่ใช่โลกุตระ แล้วก็ประกอบด้วยวิปัสนาคือปัญญาที่เห็นแจ่มแจ้งธารมความเป็นจริงโดยสรุปก็คือสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นหน้าตาเนี่เห็นไดจริงก็จะหน่ายจะหน่ายในขันห้าที่เคยยึดติดว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยมันเราก็จริงมันหาของเราไม่เจอหาตัวเราไม่เจอหาตัวตนของเราไม่เจอ คือเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แปลกคือบางครา้บางคราวเนี่ยท่านที่ปฏิบัติไปตั้งเยอะแล้วแต่ว่าไปแต่เกิดอ่อนไหวกับเรื่องเหล่านี้เรื่องตำน่ศักดิ์เรื่องตำแหน่งชั้นยศต่างๆมีโลภมีโทสะอยู่กับเรื่องเหล่านี้นั้นก็แสดงเห็นว่าท่านยังเข้าถึงไม่จริง คือจะจะเข้าถึงจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกิดวันไหวคือได้มันก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้มันก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เรียกไม่เกิดยินดียินได้เพียงแต่ว่าใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์มีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่จะต้องมีจะต้องทำตามภารกิจแล้วก็เพิ่มพูนกัรอยู่สัญญาคาเหมือนเดิม ประการต่อไปเป็นการพูดถึงระดับสั ก, กคามีนะชั้นที่สิบเนี่ยความหวังที่สิบว่าถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราเป็นพระสกกาคามีเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์สามและเพราะราคะโทสะโมหะเป็นสภาพเบาบางพึงมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวและพึงทำที่สุดทุกขให้ได้เถิดดังนี้คุณสมบัติเหมือนเดิมก็สรุปว่า พระสังกัตคามีก็คือมันอยู่กึ่งกลางระหว่างพระโสดาบันกับพระนาคามีคือไม่ชัดเจนเพราะว่าสังโยชน์สามเนี่ยพระโสดาบันท่านดับได้พระนาคามีเออพระสังกัตคามีทั้งก็ดับได้แต่เพียงแต่ว่าราคะโทสะโมหะเบาลงกว่าเดิมเปี น, นี้เบาลงขนาดไหนเพื่อจะพูดถึงตัวตนบุคคลเท่าที่พบนะะก็ ย, ยังไม่เคยเจอว่าท่านมีครอบครัว ก็แสดงราคามันก็บันเทาไปเยอะทีนี้ในราคาที่บันเทาไปเนี่ยคล้ายๆพระพุทธเจ้าเราตนเป็นเจ้าชายจิตตถาเราเห็นว่าราคามันก็เบาไปเยอะนะก็ อ, อยู่ทํากลางสาวสันกำนันในที่คัดสันมาเป็นอย่างดีอะตั้งสิบสามปีจากอายุสิบหกถึงอายุยี่สิบเกก็มีพระโอรสในปีที่ประชันษายี่สบเก้า ก็แสดงว่าไม่ได้ใส่พระไถยในเรื่องเหล่านี้เลยวันที่พระเจ้าทรงแสดงว่าสังกับปุระสังกับปราโคบริสัสธกาโมความดำรินี่เป็นกรรมของคนความพยาบามก็เกิดขึ้นในความดำริความไข้ก็เกิดขึ้นในความดำริความโลภ ก, ก็เกิดขึ้นในความดำริเพราะงั้นถ้าเราไม่ดำริมันก็จบมาอยู่ที่ใจไปกําหนดค่าไปประเมินค่าสิ่งเหล่านั้น แนวไก่แจ้นิทานไก่แจกกะพลอยเนี่ยที่จริงเป็นตัวอย่างสอนอะไรได้เยอะมันก็เห็นอย่างหนึ่งคือไม่รู้กับรู้เนี่ยพวกไม่รู้ก็จะไม่อยากพวกรู้ก็จะหมดอยากพวกไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรคือจิตมันไม่ได้วินิจฉัยรำลิไม่ได้ว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างโน้นเนี่ย เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดจิตมันต้องกําหนดว่ารูปนี้สวยนะเสียงนี้ไพเรานะน่ากลิ่นนี้หอมนะรสนี่อร่อยนะสัมผัสนี่นะ่าจะต้องนะทีนี้เมื่อจิตมันไม่รู้เลยมันก็ไม่อยากอยากได้ในสิ่งเหล่านั้นก็แค่ไก่แจ้กแต่เราจะเห็นว่าไก่แจ้นั้นแกเคยกินข้าวเปลือกพะะนันผ่านข้าวเปลือกแกก็รีบเข้าไปหาได้ในขณะเดียวกันแกมองผ่านพลอยไปคือทาให้มองเห็นในเรื่องเหล่าเนี้ยว่า คือมองในมิติของพระวินัยนะะในพระวินัยในะมีข้อยกเว้นห้ามโจท์ทวงภิกษุสองประเภทนะคือภิกษุบ้ากับพระอาหารหันต์พระอรหันต์นั้นท่านรู้สมบูรณ์สติสมบูรณ์ท่านไม่มีทางทำเลยแม้แต่คิดก็ไม่คิดคนบ้านนั้นไม่มีสติเลยแกงไม่รู้กระทำแกก็ไม่รู้ผิดถูกยังไงเกก็ไม่รู้เพราะงั้นไปเอาอะไรกแกงไม่ได้ นะเป็นบุคคลพิเศษนะฮะต้องยกเว้นให้เขาคนสำคัญนะจริงๆคนบ้านเนี่ยเราทำอะไรเขาไม่ได้เลยก็ด่าเขาว่าอะไรก็ต้องปล่อยเข้าไปแต่ก็ต้องแผ่เมตตาไปนะนั้นเราเห็นว่าคุณสมบัติเนี่ยทรงใช้ข้อเดิมแต่แสดงด้วยความประนีตในตรงนี้ก็เคยทรงแสดงในสังฆารูปรปฏิสูต เป็นพระสูตรเดียวแต่ทรงใช้กุศลกำหนดสิบข้อแต่นั้นเองแล้วก็เดินทางกันเนี่ยดังทางเป็นขั้นๆมาอย่างเงี้ยจตวรรุปมรรคผลเป็นประหานเลยโดยใช้เพียงกุศลกำหนดสิบข้อถึงถ้าเรามองในศีลในกุศลกำหนดสิบข้อนี่แม้แต่ข้อเดียวเนี่ยฮะคือข้อที่หนึ่งข้อเดียวก็โอ้ลึกซึ้งไม่เบาเลยคือถ้าเรามองด้วยความเข้าใจแล้วมันไม่ค่อยรุงแรงอะนะ ไม่เคยดุ่งรังเท่าไหร่แต่ถ้าเรามองโดยยึดติดวันก่อนนี้เจอใครอ้างคำสอนของหลวงปูดงป่ดุลหลวงปู่ดุลอัตุโลนะวัดบุรพารารู้สิท่านบวชเนี่ยท่านสอนให้แม่นยำในพระวินัยจำให้ได้ทำให้ได้อย่าให้ผิดต้องอ่านจนแตกฉาน ธรรมะท่านบอกไม่ต้องอ่านมากไปเดี๋ยวจะฟุ้งสัน้นเพราะริงธรรมะเนี่ยเมื่อจิตมันสงบมันจะพูดเองฮะมันจะเกิดขึ้นมารเราเห็นว่าครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกโอท เ, เทศได้หยดย้อยไเร่ะมากแล้วเห็นว่าท่านพูดจากภาษาใจของท่านไลยเพระภาษาที่พูดเนี่ย คือฟังได้นะไม่แต่การนัง ว, วิทยุอะไรเนี่ยเราฟังได้ว่าท่านนี้พูดจากใจหรือพูดจากจำถ้าพูดจากใจมันจะจะมีลักษณะอย่างหนึง่งพูดจากจำมันจะมีลักษณะอย่างนีง้คล้ายๆกับพูดงานภาคปฏิบัติการนะนรังก่อนหนึ่งฟังนักวิยาการเขาอภิปรายเขามิจารณ์ท่านนายกบอกว่าท่านนายกคงไม่เข้าใจการตลาด อย่างไึกขำไอ้ตัวเองสอนในหนังสือเปิดตํารานสอนหนังสืออยู่หน้าชั้นเรียนเน่ยอันนี้เขาประกอบธุรกิจมีเงินตั้งหกเจ็ดหมืล้านเนี่ยมีขอกขายธุรกิจมหาศาลเนี่ยไม่รู้การตลาดได้ไงคือไม่รู้จักประมาณตัวเองไงคนนี้ก็ภาคสนามคือท่านนายกเองเป็นคนอยู่ภาคสนามก็จะพูดแบบภาคสนามแล้วคนภาคสนามนี่จะพูดเ ข, ข้าใจง่ายเหมือนคุณทันยินเจียนวันนนเนี่ยปรากฏว่าท่านไม่ได้ศึกปริญญาเอยนะฮะ เวลาเขาพูดเรื่องเศรษฐกิจเดียมากฟังเข้าใจอ่ะเหมือนคุณสมัครพูดเนี่ยคุณสมัครสุนทรเวทเนี่ยพูดเรื่องอะไรก็เข้าใจเพือแสดงว่าเขาเข้าถึงเขาเข้าใจอ่ะแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นการสำคัญมากว่าภาษาที่ออกมาจากใจเนี่ย อย่าลืมมธทรมที่มันจัดสรุเนี่ยมันจัดสรุที่ใจนะฮะก็แสดงอยู่ที่ใจอ่ะพระู้ธจ้าตอนจัดสรุก็ถามใจอ่ะถามใจเมื่อใจมันพร้อมที่จะให้คำตอบรับสังว่าเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนควรแก่การงานคือใช้งานได้จึงน้อมไปเพื่อถามใจเพื่อรู้ อย่างนั้นงนั้นงนั้นความรู้ก็ผุดขึ้นมาเลยใจจะตอบใจเลยนะพระยานก็ผุดขึ้นมาเป็ น, นรลอกไปเลยแล้วก็ให้คําตอบรวดเร็วมากเฮยเช่นปุเพนวัสารตยานเกิดขึ้นตอนตัสรู้นี่พูดถึงอย่างว่าปฐมยามก็เกิดปุเพนวัสารตยานตุติยไอทุติยมะจิมยามก็เกิดจุตัวปาตยานปิมยามก็เกิด อสวัยาเนี่ยพตรงนี้เป็นเรื่องของการจะสรุปไม่เคยผ่านปริยัติมาไม่เคยผ่านปริยัติมาเพราะงั้นจะต้องใช้ปัญญาในตรวจสอบเทียบเคียงให้แน่ชัดให้ชัดเจนแต่เวลาพระสงฆ์ท่านบรรลุนี่คงไม่ช้าขนาดนั้นนะนะเพราะเาะรพระสงฆ์ท่านผ่านปริยัติจากพระพุทธเจ้ามาปริยัติสาหรับท่านนะ มาท่านที่ฟังแต่ว่าจริงๆแล้วที่พระเจ้าทรงแสดงคือปฏิเพตคือปฏิเพตสัตรธรรมเป็นธรรมะจากขัไทยเวลาคนบรรลุผลจะต้องตรงกับที่ทรงแสดงถ้าไม่ตรงกับที่แสดงก็แสดงว่าผิดมันคล้ายๆกับที่เขาพูดถึงกรรมฐานสันโดษกรรมฐานขี้โกรธสโดษขี้ขอเนี่ยคือสภาจิตมันไม่ใช่อ่ะ กรรมฐานมันสงบพยาบาทนะปีตินี่มันสงบพยาบาทปังถ้าเธอเป็นได้ฌานด้วยเดีวเธอมีโทสะด้วยนี่ต้องไม่มีอย่างนึ่อาการที่เห็นคื อ, ค, อคือโทสะแต่ปีตินี่เป็นภาพลวงเฉยๆไม่มีจริงอ่ะคือไม่ต้องไปพิสูจน์หรอกหรือบอกเราได้สมาธิแต่ว่าเรามีโลภะ มันคนละเรื่องเลยนะอยู่คนละฝั่งแม่น้าเลยโลภะกับสมาธินี่คนละเรื่องเลยถ้าคุณมีโลภะแสดงว่าคุณไม่มีสมาธิแต่คุณมีสมาธิคุณต้องไม่มีโลภะอันนี้คือคือสิ่งที่ทรงแสดงรอปมาระหวังกุศล่ะกุศลมันมันมันห่างกันเหมือนฟ้ากับดินะ่ะ เหมืนฝั่งมหาสมุทรฝั่งนี้กับฝั่งโน้นไม่มีโอกาสที่จะบรรจบกันเพราะนี่มันกระจายเป็นบทพิสูจน์ก็ตอนพระพุทธเจ้าทรงสัต ร, รู้เนี่ยเราเห็นว่าช้าเพราะว่าต้องต้องตรวจสอบมันถึงการวินิจฉัยว่ารู้แล้วถูกต้องแน่นอนนะเพราะงั้นยันที่ทรงอธิบายชี้แจงไว้ในธรรมจักรวัฒนสูตรเนี่ยตัวนั้นจึงเรียกว่ากัตายาน เรายาดที่เกิดผุดขึ้นมาว่าเรารู้แล้วแต่เพราะเป็นการจัดสรุ้เพราะดูแลมันก็ชชาแต่เราดูพระอาราหารนะันต์เช่นเช่นสมมติว่าพิสุปัญญวคีฟังเทศพระกุธเจา้าก็อนัตตลักษณสูัสก็คิดว่าก็ประมาณสักถึงยี่สิบนาทีนะฮะก็จบ แ้วท่านก็ บ, บรรลุมะขุนเป็นพานอาสเวหีกิตานวิมุตยิงสุติจิตหลุดพ้นจากอาสวาทั้งหลายไม่ถือมัน อ, อุปาทานแล้วก็ถือว่าหลุดพ้นได้เร็วมากนี้แล้วก็มาถึงอะไรระดับความหวังที่สิบนะฮะต้อฟังเท่าไหรเสียงธรรมจากมาตุลัยศรีปทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลรในธรรม ต้องมีแตท่านผู้ฟังทั้งหลายดูทั่วกันสวัสดี